ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวโดยท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดให้ธรรมะตอบคาถามธรรมเพื่อการเจริญในธรรมตามสมควรแก่เวลากราบอธิษฐาท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญปอนตอนเช้าทุกท่านเนั่งตามสบายตั้งใจว่าเช้านี้จะ มาตอบคําถามพวกเราเพราะเห็นคําถามน่าสนใจมากในหลายๆคําถามอยู่ก็เลยคิดว่าใช้วเวลาช่วงนี้ตอบคําถามเพราะวันนี้ก็วันนี้เราจะฉันชเช้าเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมวันวิสาขบูชาครข้างนอกด้วย <S <s เรียนถามพระ อ, อาจารย์ค่าเวลาที่หลง เวลาที่หลงเรื่องที่คิดยาวๆพอรู้ตัวว่าถ้าตามความคิดไปเสร็จแน่ๆซึืออะไรเนี่ยทุกทุกทุกขังอยู่แล้วนะอะไรอะไรทุกทุกนี่ขนาดใส่แว่นด้วยนะ ทุกรออยู่แล้วนะฮะเสร็จแน่ทุกรออยู่แล้วคำถามคือหนึ่งตัวที่รู้สึกสติใช่ไหมคะที่เตือนเราใช่มันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่มันเคยได้เป็นทุกข์กับกับภาวะหลงประสบการณ์ตัวนั้นมันก็ช่วยเตือนเราให้รู้ พอรู้แต่มันลังเลจะตัดดีไหมเพราะเรื่องที่คิดมันก็เป็นเรื่องดีนะเรื่องสนุกเรื่องสนุกด้วยแต่ถ้าเจอแบบนี้จะตัดทุกครั้งค่ะเห็นความลังเลเนาะวางความคิดนั้นถามว่าความลังเลนี้คืออะไรคะทาไมเห็นแล้วไม่ตัดเลยทั้งที่รู้ว่ามัน แค่ความคิดปงแตง่งมันเป็นความเคยชินมีความเคยชินที่เราเคยชินแต่จอมจมเคยชินที่จ ะ, ะไหลไปรู้อยู่มันไม่มีสาระอะไรหรอกแต่บางทีคิดแล้วมันก็สนุกี <laughs> ก็คิด บางที่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีมันก็ได้จมมันเป็นด้วยความเคยชินที่เราเคยเป็นที่เราปล่อยให้เราเป็นอย่างนั้นมาไม่ผิดหรอกไม่แปลกหลรอกนะใครๆก็เป็นนะใครๆก็เป็นเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกฝึกที่จะวางมันมบ่อยๆฝึกที่จะวางมันมบ่อยๆฝึกที่จะไม่ให้ค่าให้ความสําคัญกับมัน คือความคิดเนี่ยมันมีสองอย่างความคิดมีสองอย่างคิดแบบตั้งใจคิดกับคิดแบบใจมันคิดเองคือมันเผลอคิดลงคิดเนี่ยในความตั้งใจคิดมันใช้สติใช้สมาธิในการคิดเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวในขณะที่คิด คือเราตั้งใจเลยที่จะใช้กระบวนการคิดเข้ามาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นวางแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นก <c oughs> ารแก้ไขปัญหาหรือการต้องการหาคำตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของเราเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่เร า, เรากำลังทาเพราะฉะนั้นความตั้งใจคิดตัวเนี้ยมันเป็นไปเพื่อการสร้างงานพัฒนาชีวิตพัฒนางานทางโลก <c oughs> อันนี้ให้ตั้งใจคิดให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติให้มีสมาธิในการคิดเนี่ยมันเป็นการงานส่วนไอ้ความคิดอีกอันหนึ่งที่เรว่าความเผลอคิดความหลงคิดพวกเนี้ยความเผลอคิดความหลงคิดพวกเนี้ยมันขึ้นมาเองอ่ามันขึ้นบางครั้งมันเป็นเรื่องดีนะมันติ้งแวบขึ้นมาเ้ยเรื่องนี้ดีจังดีก็รู้ว่าดีนะดีก็รู้ว่าดีไม่เป็นไร จำเอาไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> หรืออะไรระหว่างที่เราปฏิบัตินะถ้ามันคิดเรื่องดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอืมรับรู้ว่าเป็นเรื่องดีวางเอาไว้ก่อนแต่จำเอาไว้เดี๋ยวจะไปนั่งคิดแบบตั้งใจคิดดีกทีหนึง่งเข้าใจไหมเพราะในระว่างการปฏิบัติเนี่ยให้เราฝึกให้เราฝึกเพราะว่าในหว่างปฏิบัติเนี่ย เราไม่ได้มีความตั้งใจคิดเรื่องการงานใดๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความคิดที่ขึ้นมาทั้งหมดให้ถือว่ามันเป็นความคิดแบบเผือคิดเพื่อเราจะเห็ น, นกลไกการทำงานของขันที่มันทำงานเองอย่าเอามาปนกันไม่งั้นแล้วพอมันเผือคิดขึ้นมาปัาป๊บเอ้ยนึกคิดดีจังเราก็คิดไปกับมนันอีกใช่ไหมเอาไปเอามามันก็กลายเป็นเหมือนเดิม คือคิดมาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นคิดมาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นคิดดีก็ไปคิดไม่ดีก็ไปมันกลายเป็นคิดมาเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นแต่ถ้าหากเราฝึกไงในระหว่างการปฏิบัติมันคิดขึ้นมาปั๊บรู้กับมันแต่ไม่ให้ค่าให้ความหมายฝึกลองที่จะไม่ให้ค่าให้ความหมายกับมันไม่ใช่ไปตัดความคิดทิ้งอีกนะความหมายของพระอาจารย์คือฝึกไม่ให้ค่าให้ความหมายกับมันด้วยการกลับมารู้สึกตัว เหมือนกับมันไม่มีค่าความหมายอะไรเลยแต่ไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่การผักใสไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมมันคิดก็คิดอะแต่ฉันจะกลับมารู้สึกตัวยืนยันที่อยู่กับความรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฝึกเพราะว่านิสัยหรือว่าความคุ้นเคยของเราเนี่ย พอคิดมาเราก็ไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าบางเ บ, บางเรื่องมันก็ดีนะที่ได้คิดบางเรื่องมก็สนุกดีที่คิดอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจคําว่านันทิราคะสหัคตาด้วยอํานาจแห่งความกําหนัดและความเพลินนั้นตตราตตราเปนันทินีและมีความเพลินเป็นอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆั้สยยะที่ทางนั่นแหละคือทุกขะสมุทยัย ในอริยสัจ ส, สี่นั้นได้พูดถึงตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความรู้สึกว่ามันดีความรู้สึกว่ามันสนุกความรู้สึกที่เพลินคำว่าเพลินไม่ได้หมายถึงสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่คำว่าเพลินหมายถึงว่าอาการที่มันจอมจมอาการที่มันจอมจมอาการที่มันผูกติดอาการที่มันไหลไปกับความคิดและอารมณ์นั้น เข้าใจมเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกของเราคือฝึกที่จะถอนจากการจมจมฝึกที่จะถอนจากการไหลไปฝึกที่จะเพิกถอนความเคยชินเข้าใจนะ การมัสการพระอาจารย์เขาเรียนถามดังนี้ขณะเคลื่อนไหว14จังหวะและเดินจงกรมจะมีการนับจังหวะและถ้าเดินเป็นการนับจังหวะและก้าวเดินเป็นเลข1 2 3 4ไปด้วยจะมีประโยชน์หรือผลเสียต่อการปฏิบัติอย่างไรบางครั้งอาจารย์ก็ใช้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้กัน ที่เราไม่ให้นับเพราะคํานับเนี่ยการนับก็เป็นการบริกรรมคําว่าบริกรรมกับคำว่าภาวนาคนละอย่างพวกเราอย่ามาปนกันบางคนเออดิฉันภาวนาพุทโธพุทโธไปใช้นั่นคุณกําลังบริกรรมคุณกําลังบริกรรมคําว่าภาวนาแปลว่า การทำให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นหรายถึงการปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นส่วนคำว่าบริกรรมเนี่ยคือการท่องบนออกมาท่องบนในใจท่องบนเสียงเบาๆก็แล้วแต่แต่ก็คือกระบวนการตั้งใจคิดที่จะบริกรรมคำนี้เพราะเราจะบริกรรมคำนี้เราจึงคิดคำนี้เพราะคิดคำนี้เราจึงบริกรรมคานี้เราคิด มันก็เลยกลายเป็นการผูกพันวนเวียนอยู่กับความตั้งใจคิดอยู่ล้ำไปเข้าใจไหมมันกลายเป็นความผูกพันที่จะใช้ความตั้งใจคิดเข้ามาบดบังปัญหาก็คือคนที่ใช้คำบริกรรมหรือว่าคนเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความการใช้คำบริกรรมมันมีโอกาสในการที่จะทำให้จิตแนบ แนบกระฐานแนบกระคําบริกรรมด้วยท้ายมันก็จะกายเป็นถุขความสงบอันนี้คือเรื่องที่คนชอบบริกรรมอย่างนี้หนึ่งอย่างที่สองก็คือความคุ้นเคยความคุ้นชินที่เราปฏิบัติแล้วก็ต้องมีคําบริกรรมมีนั่นมีนี่นะเพราะว่ามันชินน่ะพอไม่ได้บริกรรมไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ทำเลยพระอาจารย์แบบ มันนัง่งเฉยแอ้วยกมาือชี้เฉยรู้ชี้เฉยมันดูเบาๆมันดูเหมือนไม่ได้ทําอะไรถ้าได้แบบแตะแคงโย่เอามาเออดูเหมือนได้ทำไอ้ที่ได้ทำํำเองได้ทําแล้วที่เรได้ขยับนี่ได้ทําแล้วเพียงแต่บริกรรมเนี่ยมันทําไปรู้สึกมันเป็นความเคยชินที่เรารู้สึกว่าได้ทำํทำตามความเคยชินแล้วมันโอเค เทนันเองปัญหาคือไอ้ตัวคำบริกรรมหรือว่าหรือการนับกระตามมันเป็นการคุ้นเคยต่อการที่เราจะอยู่กับความตั้งใจคิดที่ปัญหามันมาก็คือมันแยกไม่ออกระหว่างความตั้งใจคิดกับเพอร์ิดต่เมื่อใดกระตามที่คุณไม่ใช้คาบริกรรมเลยคุณใช้ความเป็นปรามัตธรรม คุณใช้ความเป็นปรมามตธรรมที่กําลังปรากฏขึ้นคืออาการเคลื่อนอาการหยุดอาการเคลื่อนอาการหยุดตัวเนี้ยและพอมันมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บคุณจะแยกออกทันทีว่านี่ไงคือความเผิดคิดทันทีเข้าใจไหมเออมันมันมันจะไม่มานัวเนียวุ่นวายกับไอ้ความตั้งใจคิดอยู่แล้วก็พอคิดเรื่องอื่นออกไปก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณไม่คิดอ่ะคุณไม่ได้อยู่กับความคิดแล้วคุณอยู่กับการเคลื่อนไหวอ่ะแล้วอยู่มันคิดขึ้นมา มันจะเห็นชัดเลยนะคิดภาพออกไหมมัน เ, เหมือนคุณทําทําทะเลใหลล้ล่าเรียบสงบอะแล้วพอมีอะไรหล่นตุ้มลงมาปุ๊บมันจะเห็นชัดอะ่ะแต่ในขณะที่คุณบริกรรเหมือ น, นเหมือนคุณเอาอะไรโยนลงน้ําเล่นอยู่เรื่อยๆอะมันก็มีกระลอกขึ้นแล้วลอกขึ้ น, อ, นอยู่เบาๆเบาๆพอมีคลื่นใหญ่ตุ้มลงมาแยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ถ้าคุณแบบนิ่งๆอยู่ความรู้สึกตัวสบายๆเนี่ย อะไรตุ้มขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเข้าใจคิดภาพบ อ, อกไหมคื อ, อนั่นแหละอคนที่มาเราเราไม่ให้บริกรรมหรือไม่ให้นับไม่ให้ตั้งใจคิดอะไรแต่ให้อยู่กับความรู้สึกตัวตรงๆแล้วก็เห็นความคิดชัดขึ้นหากปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวสิบี่จังหวะไปหากปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะไปสักระยะ จะมีการวัดผลหรือรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติความการวัดผลที่ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือเราทุกน้อยลงเราเห็นทุกเร็วขึ้น หมายถึงว่ากำหนดรู้ทุกได้ไวขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกระทุกนั้นได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจสามารถบําบัดทุกกายและกรละทุกใจได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นอันนี้คือตัวชี้วัดนะมันมันเป็นตัวชี้วัดที่ตัวเราเองหรือหักที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเราว่าบัด น, นี้สิ่งที่เราทําอยู่นั้นมันได้ตอบโจทย์ ให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์ได้มากน้อยขนาดไหนมันไม่เกี่ยวกับตอบโจทย์เรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวกับตอบโจทย์วันนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมพระอรหันต์มีไหมพระพุทธเจ้ามีไหมแต่ความตอบโจทย์ตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องของทุกข์ที่มันจะเบาลงที่มันจะกําหนดรู้ได้เร็วขึ้นแล้วมันจะ บำบัดทุกกายได้เร็วขึ้นละทุกใจได้เร็วขึ้นความตระหนักในความมีอยู่แห่งพระธรรมความตระหนักในความมีอยู่แห่งพระพุทธพระสงค์มันจะเกิดขึ้นเองด้วยใจของเราที่มันได้รับผลตรงนั้นแล้วมันจะมีความศรัทธาและทั้งมั่นแน่วแน่ไม่คลอนแคลนอันนี้อันนี้มันเป็นตัวชีวัดที่ชัดเจนตัวชีวัดที่มันชัดเจนนี่ก็คือ นอกจากเรื่องทุกข์อันนี้มันเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องปลายทางนะเรื่องต้นทางที่เป็นตัวชี้วัดก็คือเราสามารถเข้าใจจริงๆว่าอ๋อนี่คือกายอ๋อนี่คือจิตนะอ๋อนี่อาการของกายแสดงออกอย่างนี้อาการของจิตแสดงออกอย่างนี้เราแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามแยกกายเวทนาจิตธรรมเป็นเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นมองออกสิ่งเหล่านี้นะเราก็สามารถที่จะ ค่อยๆค่อยๆที่จะ <c oughs> เห็นอาการเหล่านั้นเห็น อ, อ, อ, อาการเหล่านั้นค่อยๆเห็นอาการเหล่านั้นอย่างที่อาจารย์ว่าหมายถึงว่าความเข้าไปแทรกแซงในอาการเหล่านั้นของเราจะน้อยลงเรื่อยๆแต่เราจะเริ่มกลายเป็นผู้สังเกตการกับอาการเหล่านั้นมากขึ้นตัวนี้คือตัวชี้วัดเนาะ คนที่เียว่าก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยพอเขาเข้าใจเรื่องตรงนี้ปุ๊บแยกกายแย ก, กจิตเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนิยามหลวงปู่เทียนคือเห็นกายเคลื่อนวหวเห็นใจนึกคิดเนี่ยเ ข, เขาจับนิยามตัวนี้ได้ปุ๊บ เ, เขาก็จะพัฒนากระบวนการของเขาได้ด้วยไม่อยู่ในรูปแบบแค่สิบสีจังหวะไม่อยู่ในรูปแบบแค่การเดินจงกรมแต่เขาสามารถจะพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แล้วก็พัฒนารูปแบบที่ต้องการให้ตัวเองตื่นรู้เข้าใจไหมแต่มันก็มีอีกนะมันบางทีมันก็ไปพระอาจารย์ก็ไปเจอพวกแปลกๆอีกอะพอเริ่มรู้ว่าตัวเองเข้าใจอะไม่เอาสิบส่จังหวะแบบกูบาอาจารย์ฉันสร้างของฉันเองบ้างมีท่ามีทา ง, ม, ทางมีนั่นมีนียของฉันเพิ่มขึ้นเนี่ย เคยเห็นเหอนกันแล้วก็เออจ่าอันนั้นก็แปลว่ายังไม่ได้รู้สึกตัวจริงๆนะแค่อาจจะอาจจะเข้าใจนิดๆแล้วก็เกิดความคิดคิดดีพอคิดดีจมอยู่ในคิดทีเนี้ยไม่ยอมกลับมารู้สึกตัวเขาเรียกว่าเข้าสู่ความเป็นพุทธวิปัสสนามันก็จะ แสดงอาการแป ล, แป ล, แปลกๆอยากอยากอยากเป็นใหญ่เองอยากเป็นใหญ่เองอยากเป็นครูบาอาจารย์อยากอวดอยากนั่นอย่างนี้แล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างอันนี้เราเคยเห็นอยู่เห็นอยู่แล้เราเรารู้แต่ว่าเวลาเวลาคนเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเขาไม่ เขาจะค่อยๆซอฟลงเรื่อยๆนะจะไม่แข็งกันด้างนะแล้วก็ไม่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นจะเข้าใจแล้วมีภาวะแห่งความบารุ่มมารวยพอสมควรเพื่อที่จะค่อยๆประครับประคองกันไป มีเจ้าสํานักกย่หลายเจ้าสํานักที่บ่งบอกอาการเหล่านี้นะบ่งบอกอาการเหล่านี้เพราะว่าต้องการมีจุดขายต้องการมีจุดเด่นของตัวเอ ง, องแต่ที่หลวงปู่เทียนยกมือสร้างสิี่จังหวัดไม่ใช่เพราะหลวงปู่เทียนยังมีจุดขายยังมีจุดเด่นแต่หลวงปู่เทียนเห็นว่าการเคลื่อนไหวมือเนี่ยมันทําให้เกิดความตั้งใจ มันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่พอเข้าใจกันตรงนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยอิริยาบถในกายทั้งหมดมันก็สามารถจะทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดก็คือการเข้าใจธรรมเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนาเข้าใจแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะกําหนดรู้ทุกข แล้วบำบัดทุกกายแล้วละทุกใจได้ไหวเรื่อยๆนั่นเองเอาง่ายๆคือทุกเราน้อยลงนหลักสูตรรักษาใจผู้ป่วยมีเนื้อหาเหมือนหรือต่างกับหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวอย่างไรอยากเข้าใช่ไหมเข้ามาเหอะลองดูถามันต่างกันไหมหลักสูตรทุกหลักสูตรที่อาจารย์ทํำ จะต้องมีเรื่องความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานการรักษาใจก็ต้องรู้จักรู้สึกตัวเพราะความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมันเจ็บป่วยทางกายคนหนึ่งมันเจ็บป่วยใจกี่คนแล้วแต่คนป่วยกายคนนั้นเป็นที่รักของคนกี่คนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาจัดการเรื่องทุกข์ใจเหมือนกันอย่างที่หนึ่ง อย่างที่2ก็คือเมื่อเราสามารถที่จะมีระมีปะเรียกว่ามีพื้นฐานของความรู้สึกตัวเอาไว้เนี่ยเวลาเราไปดูแลรักษาใจผู้ป่วยเราจะนําพาผู้ป่วยให้เข้าใจเรื่องใจเป็นทุกข์ได้อย่างไรเราจะออกจากมันได้อย่างไรอันที่3ก็คือมันจะมีการฝึกฝึกในด้วยการทำเวิร์กช็อป ในอีกหลายๆเรื่องในหลายๆองค์ความรู้ซึ่งมันคือขั้นเขาใช้คำว่าถ้าคุณฝึกเจริญสติอะกระบวนการตอนนี้มันแอดวานซ์ให้กับการเจริญสติขึ้นอีกเพราะว่ามันมีเทคนิคมันมีวิธีการที่คนต้องอยู่กับปัจจุบันขณะ คือมันมีเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่มีความรู้สึกตัวหรือไม่อยู่กับปัจจุบันมันไม่สามารถจะฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งได้ดีพอการฟังด้วยใจการสื่อสารด้วยใจการสัมผัสการพูดคุยการให้กำลังใจหลายๆอย่างมันมีเทคนิคอีกหลายๆตัวที่เป็นเรื่องของเวิร์ o ช็อปเข้ามา เพื่อให้เกิดการเพื่อให้เกิดการ น, น้อมนำไปใช้ในการดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างหรือเหล่รารักนะมันมีมันมีอยู่ด้วยหนึ่งพื้นฐานด้วความรู้สึกตัวสองสกิลของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยมันจะมีการเพิ่มเติม เ, มเรื่องนั้นลงมาเข้าใจไหมถ้าสนใจก็สมัครเลย อยากให้เรียนกันเยอะๆตรงเนี้ทำไมรู้ไหมเพราะอาจารย์สังเกตดูว่าหลายคนปฏิบัติธรรมกันสิบปียี่สิบปีพอคนใกล้ตัวป่วยลงหรือว่าคนใกล้ตัวเกิดอะไรกระทานหันขึ้นมาปับ๊บดูช็อกทำอะไรไม่เป็นนะขนาดไม่ป่วยกระทานหันนะขนาดป่วยเรื้อลังนะยังทำไม่เป็นเลยยังดูแลกันไม่เป็นเลย เพราะพอไ ม, ไม่รู้ทันใจตัวเองปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะยัดเยียดเขายัดเยียดความต้องการของเราอ่ะให้ผู้ป่วยเข้าใจไหมเพราะความรักเพราะคิดว่ามันดีเพราะเราต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาวเราต้องการให้เขาอยู่ เพราะเราจะได้ตอบแทนบุญคุณเพราะเรามีความกะตันยูหมื่นลี <c oughs> กะตันยูเฉียบพันเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> พวกกะตันยูหมื่นลีทั้งปีทั้งชาติไม่เคยโผล่หน้ามาเลยพอพอ่อแม่ป่วยทีหู ύ, มาเลยกู มันเป็นความรู้สึกผิดในใจของเขานั่นเองที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเพราะพอเกิดอาการนี้ขึ้นมาพับก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้เขาต้องแสดงบทบาทเขาต้องแสดงเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่เคยคิดทอดทิ้งเขามีความกระตันอยู่นะแม้จะอยู่ห่างไกลหมื่นลี้ก็ตามเพราะฉนั้นตอนนี้ความกระตันอยู่ฉันก็เลยเฉียบพลันขึ้นทันทีเลย ฟัวชันใส่ไปเต็มที่ทุกอย่างเลยหมอข้ถามไหมนะว่าคนเขาถูกเสียบแทงแยงแย่ทุกอวัยวะเนี่ยเขาอยากได้ไหมอันนี้เราก็มาคุยกันในส่วนคอร์นี้เข้าใจไหมว่ามันใช่หรือเปล่าเราจะทำยังไง กล้าเรียนถามพระอาจารย์จิตใต้สำนึกมีในพุทธศาสนาหรือไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันเจอในภาษาบาลีไหมก็เลยไม่กล้าบอกว่ามีในพุทธศาสนาไหมแต่มันมีในคนเข้าใจไหมถามว่าจิตใต้สำนึกมีในพุทธศาสนาไหมไม่รู้แต่มันมีในคนและคนทั้งหลาย มีขันห้าไหมเมื่อคนทั้งหลายมีขันห้าคนทั้งหลายย่อมเป็นพุทธจะรู้จากพุทธหรือไม่รู้จากพุทธแต่ก็มีพุทธภาวะอยู่ในทุกๆคนไม่เลิกเชื้อชาติไม่เลิกศาสนาไม่เลิกเผ่าพันธุ์ไม่เลิก เ, ล ก, เลกเพศเลอกวัยสามารถเข้าถึงภาวะแห่งความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกได้เสมอกันด้วยพุทธภาวะที่มีอยู่แล้วในทุกๆคน เข้าใจไหมส่วนระบบจิตใต้สำนึกมันเป็ น, นกลไกการทำงานของจิตเป็นธรรมชาติที่มันที่มันทำงานของมันอยู่สำคัญคือทำอย่างไรเราถึงจะไปรู้จั ก, กมันได้ทำอย่างไรเราถึงไปเห็ น, นกลไกการทำงานของมันตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตใต้สำนึกมันไม่ใช่การสำนึกเอามันอยู่ใต้ การที่เราจะสำนึกได้คือตั้งใจคิดไม่ได้เข้าใจไหมตั้งใจคิดเข้าไปหามันไม่ได้แต่ความรู้สึกตัวที่มันรู้ทันความคิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไปเห็ น, นกลไกตรงนั้น <c oughs> เมื่อมันเข้าไปเห็ น, นกลไกการทํางานตรงนั้นมันจะเข้าใจความจริงกับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่มันค้างคาสิ่งที่มันเป็นตัวบ่งการชีวิตเราสิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อเราอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของน้องผู้หญิงที่ว่าเห็นหลังมดแดงจําได้ไหมอย่างพระอาจารย์เห็นตุ๊กแกแล้วก็ หลายคนนะมีมีคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขาอะไม่รู้เป็นอะไรเขาอะเป็นคนเลี้ยงแม่นะแต่เขาก็คุยกับแม่ได้ไม่เกินสี่ห้าคำขนาดวันเกิดนะขนาวันเกิดตัวเองแล้วจะขอพอรแม่นะพอคุยกับแม่ได้ เห็นหน้าแม่เท่านั้นมันเอาแหละเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางเขาบางอย่างมันขวางเขาขวางเขาขวางเขาแม่คุยอะไรเขามันก็มันก็มัอย่างอย่างมาขวางมาขวางอยู่เลยเพราะนั้เขาคุยกับแม่ได้ไม่เกินสี่ห้าคำแต่เขาเลี้ยงแม่นะแต่มันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขากับแม่ไม่ไม่เคยติดกันนั่งอยู่ใกล้กันก็จริงกินข้าวด้วยกันก็จริงแต่มันเหมือนมีกําแพงหนาทึบ วันหนาว่านั่งยกมือสร้างยมวากพาพิจารณ์แล้วหยุมก็มันปรากฏภาพหนึ่งขึ้นมาแกบอกเป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถูกแม่ตีถูกแม่ตีแล้วเจ็บมากแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นร้องออกมาว่าหนูไม่รักแม่แล้วหนูเกลียดแม่เขาบอกว่าพอได้ยินคํานั้ น, นเสียงนั้นมันดังขึ้นมาแล้ว ภาพเด็กผู้หญิงร้องไห้คนนั้นแล้วร้องกันนี่ว่าน้ําตาร่วงออกมาเลยห น, หนูน้ำตาล่วงมาเลยว่ะอาจารย์ออกเยหนูเห็นและ้ะอะไรที่มันขวางระหว่างหนูกับแม่อยู่เสมอภาพเด็กผู้หญิงคนนั้นคือหนูเองพระอาจารย์มันรู้เลยว่านั่นคือตัวเองที่ถูกแม่ตีตอนเป็นเด็กตั้งแต่นั้นมามันฝังใจมาตลอดพอเวลาเจอหน้าแม่ปุ๊บไอภาพนี่มันฟุบเข้ามาเลยเข้าใจไหม แล้เจอหน้าแม่ปุ๊บฟุบเข้ามาเลยเสียงได้ยินเสียงแม่ปุ๊บคือกายวันแม่เป็นอีเขียวอ่ะคิดภาพออกไหมพ่อบอกเป็นอีเขียวเริ่มเริ่มคิดออกเลยว่ามันหม่ยแพบไหนแม่ของเขาเป็นอีเขียวของเขาเองไอตัวกำแพงความคิดคือตัวอีเขียวนั่นแหละที่มันโผล่เข้ามาขั้นระหว่างเขากับแม่เสมอเห็นหน้าแม่ปุ๊บอีเขียวโผล่เลยเข้าใจไหมได้ยินเสียงแม่ปุ๊บอีเขียวโผล่เลยเข้าใจยะนั่นแหละภาพเหตุการณ์ตอนนี้มันจะขึ้นมาทันที นำมารูปตัวนี้มันเข้ามาทำงานนั่นเองนี่เขาบอกมันไม่ใช่การคิดเอาเพราะเขาคิดเอาได้มันอยู่ในระบบจิตสำนึกคิดเอาไม่ได้แต่มันสามารถทำงานและรู้ทันกับมันได้ด้วยระบบจิตใต้สำนึกเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วของความรู้สึกตัวเข้าไปเนาะเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเ็าบอกหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูเป็นคน ต้องแต่งแบบนี้ต้องแต่งหน้าแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยคือมันเยอะมากกับเรื่องแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันเยอะมากเลยอะหนูอะจนหนูรู้สึกว่าเป็นทุกข์อะออแล้ววันหนึ่งอะก็บอกเธอตื่นมาเธอตื่นมาแล้วก็แบบหน้าสดนะยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเนะาะก็แบบว่าทําความสะอาดห้องน้ำไงเช็ดเช็ดอยู่ห้องผักแล้วก็อยู่ศูนยสี่ปฏิบัติธรรมกันที่ศูนสี เด็กก็เช็ดเช็ดอ่างล้าง เ, เช็ดไปมันมองกระจกปุ๊บเฮ้อพมองกระจกเห็นหน้าสดตัวเองท่านั้นนะ่ยช็อกไหมไม่ใช่ชอ็อกก็เห็นหน้าสดนะอย่าเข้าใจผิดพอเห็นหน้าตัวเองปุ๊บเธอบอกมันวืบกลับไปเป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถูกจับแต่งตัวเด็กหญิงตัวเล็กๆ เ, เลยเขบอก ถุกจับแต่งตัวมีแม่มีน้าต้องแต่งแบบนี้นะถึงจะน่ารักแต่งแบบนี้คนถึงจะชอบต้องใส่เสื้อผ้ายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมโอ้โอ้หนูเข้าใจแล้วทำไมหนูหนูหนูวุ่นวายกับไอ้เรื่องแต่งตัวมากเลยแต่งหน้าแต่งตามากเลยอะ่ะมันบังคับหนูซะจนแบบเมื่อก่อนนี้นะใส่ชุดนักศึกษากินเนีนมจีนนะ ขนมจีนเวลากินเราชอบดิน น, ะนอะแล้วชบสะบัดสะบัดน้ํายาขนมจีนะอะเสื้อเลอะนี่หนูกลับบ้านเลยนะอาจารย์ไปเปลี่ยนเสื้อค่อยไปมาหาลัยต่อแบบไม่ไปเรียนต่อเลยนะเออเลอะเลอะถึงขั้นนี้เลยนะบอกโอ้ทำไมหนูเยอะมากเรื่องนี้เฉพาะที่แท้มันมันถูกปลุกฝังมันเป็นสมมติบัญหัติที่ฝังอยู่ในใจลึกๆเลยเนี่ย เ, เ, เ, เ, เ, เข้าใจไหม เพราะมันมีมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อต่อความคิดต่อการกระทําของเรายังยศอาจารย์เลิกบุหรี่เงี้ยเหตุผลที่เลิกบุหรี่เนี่ยเพราะว่ามันเห็นความจริงเนี่ยตอนบวชมาใหม่ๆก็ยังสูบบุหรี่อยู่ไปอยู่กับหลวงพ่อยังสูบบุหรี่อยู่จะกระทั่งเข้าใจอะเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องจิตเห็นความคิดอะถึงได้เลิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่พระอาจารย์หยิบบุหรี่ขึ้นมาต่อกวันนั้น่ะต่อออกจากซองอ่ะ เงี้ยเข้าใจป่ะผมมันหยิบบุหรี่ขึ้นมาจะตอบปั๊บมันเป็นภาพโจเหินฟ้าเลยอ่ะเฮียโจโผล่มาเลยฮะโจฟ้าโผาเลยอ่ะแล้วโจฟ้าทาท่าตอบบุหรี่ปั๊บแบบในหนังเสี้ยววินาทีนั้นอาจารย์ทาท่าเดียวกับโจเหนฟ้าเลยปุ๊บฮะมันไปแบบทันทีอัตนมัติมากเลยอ๋อปุ๊บเอาบุหรี่ขึ้นมาคาบ เฮยหลิวหลิวเตอหัวหลิวเตอข้อโผ่มาโอหมันข้ามหุมเดียวหลิเตอหัวแล้วมันมันจับใส่ตามเลยนะที่เป็นนายกลายเป็นบเบาคุยอย่างนี้เองตายแล้วกูนึกว่าสูบบุรี่ด้วยใจตัวเองนึกว่าสุบุรีดร่ด้วยตัวเองนะที่แท้ที่ไหนได้ทั้งเฮียโจเฮีย ห, หลิวพาสูบมาตลอดชีวิตเลิกเลิกเลิกนะตั้งแต่นั้นมาเลิกเลยนะ แม่เฮียโจเฮียเหลียวมันมีอิทธิพลต่อนะ่ะท่านหลายอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันกมันบงการเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นสิ่งที่มันสั่งสมมาตั้งแต่เล็กเขาจึงบอกว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะใครยังไม่มีลูกก็จะมีลูกก็จะทำให้หามาอ่านนะชื่อว่ากว่าจะถึง อนุบาลก็สายแล้วไอ้เรื่องนี้มันเป็นพา อ, อาจารย์ก็เลยถามคนเคยอ่านว่ามันเป็นยังไงเหรอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้งี้เาเฮ้ยนี่มันคือคกลไกการรู้เหมือนกับเราแบบทำวิปัสสนาคือพออาจารย์มาทําวิปัสสนาแล้วมาเข้าใจเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ๋อจิตเนี่ยมันทํางานมาตั้งแต่เราเกิด แต่เราเราอยู่ในคันของแม่เนี่ยรูปกายของเราเนี่ยเติบโตได้ เ, เข้าผ่าอาหารที่แม่กินสร้างขึ้นมาเข้าใจไหมเติบโตได้ เ, เข้าผ่าอาหารตรงนี้จริงแต่ในขณะเดียวกันตัวจิตใจของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นผ่านการคิดมันอยู่ในพวังมันอยู่ในความฝันเพราะนั้นกายทางานกายเติบโตผ่านอาหารจิตเติบโตผ่านความคิดผ่านความฝัน เพราะเราอยู่ในคันเนี่ยเด็กในคันเนี่ยยังอยู่เหมือนกับหลับแล้วก็ฝันเข้าใจไหมเป็นการพัฒนาตรงนั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจกลไกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถอินเซปหมายความว่าใส่อินเซปชันให้เขาได้คือใส่ข้อมูลให้เขาเข้าไปด้วยการคิดดีๆหรือก็คุยกับเขา น่นนี่นี่อะไรก็ตามเออการดูแลคันใช่ไหมเสร็จแล้วพอเขาคลอดมาเนี่ยเด็กเมื่อเริ่มคลอดพอคลอดออกมาปุ๊บเขาจะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งสขวบนี่คือกระบวนการเก็บข้อมูลเขาจะเก็บทุกอย่างได้เห็นได้ยินได้ฟังพอจากสามขวบไปนู้นถึง9ขวบคือการใช้ข้อมูล โดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าถูกผิดช่วงนี้คือช่วงสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเข้ามาตั้งแต่หนึ่งให้ข้อมูลเก็บข้อมูลเนี่ยหนึ่ ง, งสมเนี่ยเข้าใจมจากนั้นช่วงส9เเป็นช่วงระยะเวลาที่เราต้องบะคบประงมให้เขาได้เข้าใจข้อมูลที่เขาใช้ออกมานั้นว่ามันถูกมันผิดมันใช่หรือไม่ใช่มันสมควรหรือไม่ตรงนี้เนี่ยจะทำให้รูปเราเนี่ย สามารถที่จะมีความเป็นวินัยความเป็นคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาตรงเนี้อเขาจะพัฒนาสมองซีกที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือสมองซีกไหนซ้ายหรือขวาซ้ายที่เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของศิลปะเรื่องของจิตใจอ่เจะเข้าใจไหมพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะได้เพราะถ้าเลยเก้าขวบไปแล้วถ้าตรงนี้เราไม่ทํา เลยก้าวขอบไปแล้วมันจะยิ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลบางอย่างเข้ามาอีกลนจะยากขึ้นเข้าใจไหมแล้วมันจะยากกับการในตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนยุโรปเนี่ยพวกยุโรปพวกแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีระบบการศึกษาระบบการพัฒนาเด็กของเขาเนี่ยสุดยอดเนยนะเขาสร้างเด็กของเขาด้วยกระบวนการเนี่ยเขาให้อ ให้โอกาสมากเลยคับการที่พ่อแม่จะต้องดูแลลูกตรงนี้เพราะเขาถือว่าการลงทุนตรงนี้มันทําให้เขาได้ทรัพยากรทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เ, เพราะว่าพาอโตขึ้นปุ๊บจะกล้าขวบไปเนี่ยค่อยใส่ระบบในการคิดเหตุผลเรื่องของการคํานวณเรื่องของแต่พ่อแม่ไทยไม่ใช่ลูกเข้าอนุบาลมันยังถามเลยบวกเป็นลี้ยง ภาษาอังกฤษได้ไหมห่วงแต่ว่าลูกจะบวกเลขไม่เป็นใช้สองภาษาไม่ได้บวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกันมาคือมันกลายเป็นเรื่องของของไปไปบีบคั้นและพัฒนาผิดด้านเพราะฉะนั้นโตขึ้นมาจึงได้คนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรม เพราค่านิยมของเราคิดว่าเด็กต้องเก่งไงเข้าใจไหมแต่ถามด้วยตอนนี้ตุ๊ใครว่าอาจารย์สังเกตดกูคนมีลูกอะ่ะเออถามเลยอะ่ะบวกเลขเป็นยังโอ้โหเข้าอนุบาลนี่น้จริงพระอาจารย์ไม่เคยเข้าโรงเรียนอนุบาลแต่พระอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เล็กๆ เ, เนี่ยได้อยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรแล้วก็เล่น เล่นของเล่นที่เราทำเองฝึกจริงๆนะเราฝึกทำเองฝึกเหลาไม้ฝึกเหลาไม้ฝึกทำหนังสติกมันเป็นเทคทนิคแลวเป็นทักษะเป็นสกิลที่ค่อยๆฝึกความอดทนกับตัวเองแล้วก็มีความภูมิใจในผลงานที่ตัวเองทำออกมาด้วยตัวเองได้มันเป็นความสุข มันคือกระบวนการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเาราเลยไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากคนอื่นหรือความสุขจากข้างนอกแต่เราสามารถสร้างสุขนั้นได้ด้วยตัวเราอ่ะคือมันฝึกฝึกทําอย่างนี้เลยเราก็ไม่รู้หรอกแต่พอเราย้อนดูชีวิตเราที่ผ่านมาอ๋อเราไม่ได้ถูกเร่งรีบเราไม่ถูกเร่งรีบที่จะให้เรียนรู้ให้เก่งให้นั่นให้นี่นั น, นก็เลยกลายพอโตมาเราก็เลยเก่งทั้งสองด้านเลย หุ้ยเรียนก็เก่งนะแล้วก็ทักษะอะไรต่างๆอาจารย์ก็เป็นหมดเลยเล่ดนตรีก็ได้เล่นกีฬาก็ได้นุ่นก็ได้ศิลปะก็ได้ทำกับข้าวก็เก่งด้วยมีความชำนาญมากเลย มีเทคนิคพิเศษแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือแบบมันมีต่อมต่อมรับรสอยู่ที่สูงล้ำมากเลยอะเอาอะไรใส่เข้าไปในปากมุ้งสัญญามันทำงานดีดีนะปะุปะ๊บๆบนแยกเลยมีอันนี้อั น, นี้อันนี้อนนีอั น, นี้อี้อันนีนมีผสมผสมผสมผสมผสมจะอัตราส่วนค่ายมาว้อีกทีหนึ่งมูน่ะ คือก็เลยมีในตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเรื่องการทำงานของจิตเนาะพพุทธศาสนาจึงบอกเรื่องจิตใต้สงังหึณไม่ได้พูดเอาไว้แต่การพัฒนาจิตของพุทธศาสนานั้นถือว่าเลิศมากจริงจริงนะถือว่าเป็นหนึ่งที่สุดละพุทธศาสนาถ้าไม่พูดเรื่องจิตไม่มีความหมายเลย เข้าใจไมไม่พูดเรื่องจิตไม่พูดเรื่องกลไกาการทํางานของจิตไม่พูดเรื่องความเป็นทุกข์ของจิตไม่พูดเรื่องการดับทุกข์ทางจิตพุทธศาสนาได้ค่าเลยพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ไปทําบุญแค่นั้นไม่ใช่รักษาศีลแค่นั้นไม่ใช่พิธีกรรมให้ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนก็ไม่ใช่พุทธพราพิธีกรรมเหล่านี้มันมีมาทีหลังเพราะพุทธจริงๆพุทธทาจริงๆหลวงพ่อเจ้าเน้นไวยที่การเข้าใจตนเอง เข้าใจจิตตัวเองเข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตเข้าใจากลไกที่มาทําให้ทุกข์มันให้จิตมันเป็นทุกข์และเข้าใจกรัรขบวนการในการออกจากทุกข์อันนี้คือพุทธแท้ทททททเลยนะพุทธแท้เลยนะเพราะอาจารย์ น, น, นึงบอกไม่ได้ว่ามันมีไมทั้งจิตใต้สํานึกแต่รู้แต่ว่าพุทธศาสนาคือเครื่องมือในการพัฒนาจิตวิญญาณ ขณะที่พระ อ, อาจารย์บรรยายธรรมเราสามารถปฏิบัตบิสิบจังหวะไปพร้อมได้ด้วยไหมได้ถ้าฟังรู้เรื่องไม่ว่ากันไม่ว่ากันจริงๆถ้าฟังรู้เรื่องแต่ส่วนมากอาจารย์จะพยายามบอกว่าเวลาฟังธรรมก็ฟังธรรมเถิดนะการฟังธรรมเราแค่ขริกนิ้วเบาๆสบายๆมันจะทําให้เราฟังแล้วเราก็ ได้ทบทวนสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดกับสิ่งที่กำลังเจอที่เราเคยเจอมันจะย้อนเข้าไปเห็นประสบการณ์ที่เราผ่านคบแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่ครูบาอาจารย์พูดเรื่องอะไรเรากำลังเราเข้าใจสิ่งนี้ไหมและเราได้ผ่านมันมาเห็นมันมาเหมือนที่ท่านพูดไหมเราเข้าใจตามนั้นไหมอันนี้คือการฝังธรรมเพื่อ โอปัญายิโกน้อมเข้าสู่ตัวเพื่อจะพิจารณาหรือสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้คือการฟังธรรมที่ถูกนะคือพระอาจารย์เคยเห็นบางคนพอฟังธรรมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ยกมือไปห น, นักเข้าเป็นอุปทานหมู่อีกที่ไปเจอไปเจอในในสายงานเสวยงานเรานี่แหละงานหลวงพระเทียนนี่นะดูเหมือนอุปทานหมู่ไงไม่รู้พอครูบาอาจารย์จะเทศก็เริ่มแล้ว ก็เลยว่าตกลงแล้วตกลงเขาฟังรู้เรื่องไหมแต่ตัวพระอาจารย์เองอ่ะเวลาฟังทำไปอ่ะเราจะตั้งใจฟังใช้ความรู้สึกตัวกับการตั้งใจฟังนะอาจจะมีขยับมือเบาๆเาพื่อประคองไว้บ้างแมใ่ใจมันสัดสายไปมากแต่กาลังเดินไปในเนื้อหาทำที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นแล้วก็น้อมข้อสู่ตัวเองอยู่เสมอกับการกับการสังเกต คำพูดของท่านแล้วก็สังเกตการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาของเราเราก็ทบทวนมันจะค่อยๆเขาเข้าใจเข้าใจกับมันนะนี่คือการฟังธรรมนะอาจารย์เกณฑ์เขเห็น เ, เนนะีเวลาพอครูบาอาจารย์เทศเน่ยสายงานนี้แหละคนจะนั่งเฉยๆก็ว่าเขาจะว่าตัวเองไม่ขยันเ <laughs> ผาาตัวเองไม่ทําความเพียรกูก็ทําไปด้วยแล้วกันเอาไปเอามาก็ได้ทําก็ไปหมดเลย หลวงพ่อคาเขียนซึ่งเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านพูดเสมอพูดบ่อยด้วยแต่ว่าไม่รู้เขาไม่ได้ยินกันไงไม่รู้หลวงพ่อพูดนะแต่เหมือนเขาก็ไม่เลิกทำเพราะเขาไม่ได้ยินมัน้งหลวงพ่อบอกว่าเวลาฟังธรรมก็ฟังธรรมเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเพราะในขณะฟังธรรมเราก็ปฏิบัติได้ด้วยการตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจเนื้อหา เข้าใจสิ่งที่พูดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโอปันัตยิโก น, นอมเข้ามาอาจจะแค่ขยับมือเบาๆก็ได้แต่แขงมือก็มือกระดิกมืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนาะอันนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อเราจะได้เข้าใจในเนื้อหาแห่งธรรมเพราะไม่งั้นแล้วพอเราฟังไปใจเราก็ยกมือไปบางทีมันก็มาตัดอยู่ในช่วงนี้เสียงก็จะหายไปช่วขนาหนึ่งอย่างเงี้ย เนือหาที่แทนที่มันจะต่อเนื่องให้เราได้เข้าใจเนี่ยมันก็าขาดช่วงไ้ก็มีจริงไหมเหมือนเวลาเราจะตั้งใจฟังอะไรบางทีเราเราไปสนใจบางอื่น ส, สนใจเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยบางคนบอกก็ผมกําลังฝึกศักด์ตว่าเสียงจ้าศักด์ตว่าเสียงจ่าไมหน้าละฟังธรรมกูบาลอาจารย์สิปี20บปีก็ยังอยู่เท่าเดิมมาจ้า ก็ได้แต่ฉันยกมือมา1ิปีเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าทำให้ฉันเป็นอะไรได้เนี่ยเข้าใจัหมนั่นแหละครับในลำดับถัดไปนะครับทุก่านก็นั่งเข้าที่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปข อ, ก, ขอกับอารัฐขอกับอารัธนาท่านพระครูบวรวีระวงนะครับได้ให้ธรรมะนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับตามสมควรแก่เวลาขอากับอารัธนาครับ <c oughs> ขอโอกาสท่านคณะสงฆ์ทุกๆท่านขอเจริญพรท่านญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆคนฉันนั่งตามสบาย <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งในการเวียนมาครบรอบในวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญ ของพระพุทธศาสนาหรือว่าของชาวพุทธทั้งโลกเลยก็ว่าได้เพราะเราถือว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้านะคุณแห่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษที่ส่งคนพบสิ่งที่สำคัญมากก็คือการพาเราออกจากทุกข์ทางใจ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่สามารถเป็นสาธารณะคือคนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความความไม่ทุกได้โดยเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษยชาติเพราะว่าคนรมในเรื่องของความไม่ทุกเนี่ยนะทำมาเรื่องความไม่ทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะเราเข้าถึงได้ด้วย สิ่งที่พุทธเจ้าสอนไม่ได้สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกายและใจของเราไม่ได้อยู่สุดล่าฟ้าเขียวไม่ได้อยู่ลึกลับซับซ้อนเพียงแค่เราหันกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นสังเกตตัวเองให้มากขึ้นยอมรับเปิดใจกับตัวเองให้มากขึ้นและที่สำคัญก็คือการสังเกตยอย่างรอบด้าน กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเราจะพบความจริงว่าไอ้ความทุกข์ใจที่มันกุ้มรุมใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากความคิดความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ทันใจมันก็ปรุงแต่งแล้วเราก็าจมเข้าไปในความคิดสิ่งที่มันปรุงแต่งเหล่านั้นเมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะหาคำตอบให้กับตัวเองว่าทำไมเขาถึงมีความทุกข์ใจอยู่ความทุกข์ใจมันมันเกาะกลุ่มใจเขาอยู่ตลอดเวลาแม้นเขาจะมีความพร้อมสมบูรณ์ที่โลกมนุษย์ทั้งหลายที่มนุษย์โลกทั้งหลายต่างพากันปรารถนาเขามีทรัพย์สินเขามีชื่อเสียงเขามีอำนาจ เขามีภรรยาที่สวยมีนาสนมกำนันเยอะแยะมากมายมีลูกที่น่ารักมีพ่อแม่ที่รักเขามีคนเยอะแยะมากมายที่รักเขาเขาเป็นที่รักของใครอีกหลายๆคนแต่ชีวิตที่โลกหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายมองว่ามันเพอร์เฟก์ขนาดนี้เนี่ยทำไมผู้ชายคนนั้นจึงรู้สึกว่ามันยังขาด อะไรคือส่วนที่หายไปในสมการชีวิตของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยทำวัดสวดมนต์มันจะมีบทมันจะมีประโยคท้ายที่บอกว่าอเปวนามิมัสเกวรัสะทุกขขันทัสสะอันตากริยาปัญญาเยถาติทำชะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ นั่นคือสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นลำพึงลำพันออกมาก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกจากบ้านเมืองเขาเข้าสุ่ป่าหกปีเต็มกับการวนเวียนปฏิบัติตามแนวทางที่เขามีอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาสอนกันยังไงเขาทำกันอย่างไรผู้ชายคนนั้นก็พยายามฝึกเขาพยายามเรียนรู้ จนกระทั่งไปสุดทางทุกทางไปสุดทางทุกทางของเส้นทางการปฏิบัติในแนวทางที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่ทางทุกทางที่ทำมาทั้งหมดมันกลับไม่ตอบโจทย์เรื่องความทุกข์ในใจของเขาสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกค้นหาด้วยเส้นทางเขาเองอีกด้วยการคิดนอกกรอบ ด้วยการหาวิธีด้วยตัวเขาซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจที่จะไม่ทําตามสิ่งที่เขาเคยประพฤติปฏิบัติกันมาย่อมทำให้เพื่อนเขาอีกห้าคนนั้นเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งว่าผัจบันนี้เพื่อนของเขาคนนี้ได้เลิกความเพียรแล้วเพื่อนเขาห้าคนนั้นก็เลยทิ้งเขาไปเพราะเพื่อนห้าคนนั้นอยู่ในกรอบติดกรอบปฏิบัติก็อยู่ในกรอบ เชื่อว่าตำรามีเท่านี้เขาต้องปฏิบัติตามนี้ครูบาอาจารย์พารรมมาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้หลายพันปีเราทากันอยู่อย่างนี้แต่มหาบุรุษผู้นั้นกลับมองว่าก็มันเดินมาหมดทางแล้วมันเดินมาจนสุดทางทุกทางแล้วนี่คือกระบวนการคิดนอกกรอบที่เริ่มต้นเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนั้นจากนั้นในวันนี้แหละ ช่วงเวลานี้แหละเขาได้มาทานข้าวฉันข้าวมัทุปลายาจจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางอะไรนะนางอะไรสุชาดาหรือวิสาขาสุชาดาวิสาขาตอนนี้ยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดเข้ามาในวงการเข้าใจไหม ตอนนี้เปน็นนางสุชาดาก่อนนางสุชาดาได้ถวายข้าวมรุปายาตเราเคยได้ยินน้องในพุทธประวัติเสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อมหาบุรุษผู้นั้นได้ฉันข้าวมรดุปายาตเสร็จแล้วได้เอาถาดไปทําอะไรจ๊ะเอาไปอธิษฐานเสี่ยงท่ายไม่เอาไปลอยน้ํำเฉยๆอธิษฐานเสียงทายว่าถ้าข้าพเจ้า จะได้บรรลุธรรมอันที่จะพึงถึงได้สูงสุดที่มนุษย์จะพึงถึงได้นั้นขอให้ถาดนี้มันลอยทวนกระแสน้ำในพุทธประวัติบอกว่าทวนัหมทวนไห ม, ไหมอันนั้นมันเป็นบุคลาที่สถานบุคลาที่สถานหมายคือว่ามันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้น เพื่อให้เกิดความศรัทธาเขาจะมีความมีอิทธิปาฏิหารนะหรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเพราะในครั้งหนึ่งในสมัยหนึ่งความมีอิทธิปาฏิหารก็สามารถปลูกศรัทธาได้แต่ในความเป็นธรรมมาธิ่สถานหรือตัวธรรมจริงๆที่ในเรื่องเหตการณ์ครั้งนี้ก็คือการที่จะได้บรรลุธรรมนั้นหรือการจะเข้าถึงธรรมนั้นมันต้องทวนกระแส ทวนกระแสความคิดทวนกระแสของจิตกลับสู่จุดเริ่มต้นที่จิตยังไม่ได้เป็นอะไรนั่นคือคือปิศนาที่บอกให้เรารู้ว่าบนเส้นทางแห่งการเข้าถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคจเจ้านั้นพระองค์ทวนกระแสกลับกลับสู่จุดเริ่มต้นของจิตไปสู่ จุดเริ่มต้นที่มันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จถึงข้ามแม่น้ำเนรัญชาานะข้ามแม่น้ำเนรัญชาาไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำก็ไปเจอกับต้นสีมหาโพธิ์ต้นโพธิ์ต้นนั้นมีร่มเงาร่มรื่นเย็นสบายนะเหมาะแก่การบำเพ็ญสมาธธรรม ในความสังัดในค่ำคืนนี้ในตอนช่วงตอนเย็นนั้นท่านก็นั่งลงตรงนั้นแล้วจากนั้นท่านก็เริ่มทบทวนกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมากับชีวิตรุกการปฏิบัติแล้วจากนั้นพระองค์ก็ย้อนระลึกนึกถึงว่าในครั้งที่เราอายุได้เจ็ดขวบ เราได้หนีออกจากงานแรกนาขวัญไปนั่งดูลมหายใจเล่นๆอยู่ที่โคนต้นว่าถามว่าเด็กเจ็ดขวบนั่งดูลมหายใจอยากเป็นอะไรไหมนั่งดูลมล่หายใจแล้วจะได้อะไรไหมเด็กเจ็ดขวบคนนั้นคิดถึงเรื่องการได้อะไรการเป็นอะไรไหมไม่ แค่ฉันจะนั่งดูลมหายใจเล่นๆไปเฉยๆนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญตอนที่พระอาจารย์อ่านพุทธประวัติอ่ะเจอตรงเนี้ยตลอดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเขียนบทนี้อยู่เรื่อยต้องเขียนบทนี้อยู่เรื่อยที่แท้มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยหปีเต็มที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปปฏิบัติ ตามแนวทางต่างๆนั้นมันมีการล็อกผลการปฏิบัติไว้เสมอปฏิบัติอย่างนี้จะได้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะได้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอพระองค์ละลึกถึงว่าช่วงเราอายุเจ็ดขวบเรานั่งดูลมหายใจเขาออกเราไม่ได้หวังจะเป็นอะไรเราไม่ได้หวังว่าจะได้อะไร หรือตัวนี้มันจะเป็นเป็นวิธีการใหม่พงศ์ก็เลยนั่งดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นอะไรมันจะได้อะไรย้อนกลับไปดูที่พวกเราปฏิบัติเวลาเราเข้าสู่การปฏิบัติเรามักจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเสมอก็คือเราอยากได้ความสงบเราอยากได้ผลการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราอยากปฏิบัติแล้วให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่หรือไม่เสร็จเสร็จแล้วเราก็จะตะเกียกตะกายเพื่อจะให้มันเป็นอย่างนั้นกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้อย่างนั้นแล้วยังไงอ่ะหปีเต็มที่เจ้าชายสิทธัธรรมอย่างนั้นสุดท้ายพระองค์ก็เลยเริ่มต้นดูลมหายใจเขาออกเฉยเฉยโดยที่ไม่หวังว่ามันจะเป็นอะไรมันจะถึงอะไรมันจะได้อะไร แต่เราจะดูลมหายใจไว้แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะสังเกตมันไปเรื่อยๆนี่เองวิชาวิปัสนาจึงได้เกิดขึ้นวิชาวิปัสนาจึงได้เกิดขึ้นด้วยกระบวนการเอากายเอาใจมาตั้งไว้ด้วยกันคือเอาใจมาระลึกรูกล้ลมหายใจเขาออกแล้วเมื่อใจระลึกรู้ลมหายใจเขาออกสบายๆนั้นพระองค์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นมันไม่คงที่มันมีสั้นมียาวเพราะฉะนั้นในอนาปานาสติสูตรจะยืนยันชัดเจนว่าพูดถึงลมหายใจสั้นพูดถึงลมหายใจยาวพูดถึงลมที่มันไม่สม่ำเสมอพูดถึงลมที่มันปรุงแต่งกายลมสั้นปรุงแต่งกายอย่างไรลมยาวปรุงแต่งกายอย่างไรเห็นกระบวนการสังเกตเห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นไปเรื่อย สังเกตเห็นว่าพอใจมันตั้งมั่นมีความสงบมันก็มีปิติสุขเกิดขึ้นแล้วปิติสุขมันก็ดับไปใจตั้งมั่นเป็นอย่างไรง ก, ง ก, ก็สังเกตดูไปจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าใจมันมีความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมีราค้าบ้างไม่มีราค้าบ้างมีโทรศับ้างไม่มีโทรศับ้างมันคิดอย่างไรครัรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นโดยมีความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นฐานเบื้องต้นไม่เข้าไปเป็นกับมันจากนั้นพระองค์จึงเห็นกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการปฏิบัติใน 2,600 ปีที่แล้วคือการตั้งความรู้สึกตัวกับการมีสติอยู่กับฐานกายแล้วสังเกตดูกายดูใจที่แสดงอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันโดยไม่ได้คิดว่าปฏิบัติแล้วต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่จะสังเกตมันไปเรื่อยๆภาวะแห่งการมีสติตั้งมั่นและสังเกตมันไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เอง จึงเรียกว่าการทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาภาษาอังกฤษเขาจรกใช้คาว่า watch and observe เห็นแล้วก็สังเกตมันเพราะฉะนั้นในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะได้สังเกตกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจตลอดค่ำคืนนั้นสุดท้ายพระองค์จึงทวนกลับเข้าไปเห็นจุดเริ่มต้นว่าที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรแต่เริ่มต้น ทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราคิดทั้งนั้นเลยสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราตกหลุมความคิดของเราที่มันปรุงแต่งเกิดอาแล้วการปรุงแต่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อทีแท้มันเป็นการทํางานของขันสัญญาขันมันก็เข้ามาทํางานของมันสังขารและขันมันก็เข้ามาทํางานของมันปัญหามันอยู่ที่ว่า เพราะขันเหล่านั้นมันทำงานเรากับเผลอที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาถูกเอาผิดยินดียินร้ายกับอาการของกายของใจที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานของขันและความเสื่อมสภาพไปของขันที่มันเป็นตามกฎไตรลักษณ์พงเห็นความจริงอย่างนี้พงษจึงรู้ว่าที่แท้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเราหลงยึดมั่นถือมั่นกับอาการของกายของใจเอาถูกเอาผิดกับมัน ทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงธรรมชาติที่ดำเนินไปของมันอยู่อย่างนั้นชั่ว น, นาตาปีพระองค์จึงถอนอุปท า, านทั้งปวงสาเร็จซึ่งความเป็นพระอรหันต์ในค่าคืนนั้นก่อนจะสว่างเพราะฉะนั้นจึงถือว่าในค่าคืนแห่งวันเพ็ญเดือนหกนั้นเป็นวันที่มีการอุบัติขึ้นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ู้พ้นทุก์โดยสิ้นเชิงและเป็นการพ้นทุก์ที่ไม่ได้อิงคำสอนของใครแต่เป็นการพ้นทุก์โดยวิธีการของพระองค์เองและเป็นธรรมที่ไม่เคยมีใครชี้ไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนเพราะมันเป็นการเข้าไปเห็นกลไกลการทำงานขององค์ประกอบของชีวิตที่เรียกว่าขันห้าแล้ยังเข้าไปเห็นความหลงผิดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอากับ การทำงานขององค์ประกอบเหล่านั้นจึงเรียกว่าเห็นตันหาอุปทานพระ อ, องค์จึงถอนตันหาอุปทานนั้นได้พระ อ, องค์จึงเข้าใจในความเป็นอริยสัจสี่เรื่องของการเกิดขึ้นของทุกขและการดับลงแห่งทุกนั่นแหละคือหลักใหญ่ใจความเพราะฉะนั้นความที่มหาบุรุษผู้นั้นได้ใช้ตัวเองเป็นแหล่งทดลองเรียนรู้ได้สังเกตตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองด้วยความเพียรอันถูกต้อง ด้วยควัญญาอันถูกต้องนั้นจึงทำให้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงด้วยตัวเองด้วยกำลังของตัวเองเพราะฉะนั้นแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ยังให้เอาวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งในฐานะฟังให้ดีนะเป็นวันสำคัญของโลกในฐานะวันที่มหาบุรุษผู้หนึงได้พบอิสระภาพด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่าแม้เธอองค์การสหประชาชาติเองนั้นก็ยังต้องการให้มนุษย์เราได้เห็นถึงคุณูปการแห่งมหาบุรุษผู้ที่สามารถค้นพบการดับทุกข์การเป็นอิสระภาพทางจิตใจและจิตวิญญาณด้วยตัวเองด้วยกำลังของตัวเองไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อ้อนวอนร้องขอไม่อยู่ภายใต้อานาจใดๆแต่มั่นใจ และมั่นคงในศักยภาพของมนุษย์ที่มนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองจนถึงจุดสูงสุดได้ด้วยกำลังและสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นองค์ก า, ารสหประชาชาติจึงต้องการให้มนุษย์เข้าใจตรงจุดนี้ว่ามนุษย์นั้นสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดคือความไม่เป็นทุกข์ได้พบอิสรภาพด้วยตัวเองได้ นี่คือเรื่องสําคัญของวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่ได้น้อมนำประกาศว่าพุทธทังสระนังขะฉามิข้าพะเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพื่อการพ้นทุกข์ธรรมังสระนังขะฉามิขะพะเจ้าขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพื่อการพ้นทุกข์สร้างคังสระนังขะฉามิข้าพะเจ้าขอเอาพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพื่อการพ้นทุกข์ฟังดูสิเมื่อเราเปล่งวาจาอย่างนี้แล้วสมควรหรือไม่ว่าเราควรจะหันมาดูตัวเรามั่นใจในตัวเราและเข้าสู่การปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นสู่การตั้งใจให้เป็นที่เป็นทางที่เรียกว่าตั้งกรรมฐานอาจจะรู้กับลมหายใจเขาออกก็ได้อาจจะรู้กับการเคลื่อนไหวของกายก็ได้หรืออยู่บทใหญ่หรือยยอยู่บทย่อย ลมหายใจเขาออกเหล่านี้ให้ใส่ความตั้งใจทำลงไปเมื่อตั้งใจทำลงไปมันจะเกิดกรรมฐานขึ้นทันทีในขณะนั้นเพราะตั้งใจไว้ตรงไหนใจรู้อยู่ตรงนั้นก็กรรมฐานขึ้นตรงนั้นและเมื่อใดก็ตามที่ใจมันหลงออกจากฐานไปให้เรามีสติรู้ทันกับมันทุกขณะทุกขณะแห่งการรู้ทันตรงนั้นมันจะเริ่มพาเราเข้าไปเห็นความจริง เห็นการปรุงแต่งของจิตเห็นการทํางานของขันเห็นความหลงยึดมั่นถือมั่นที่มันจะเกิดขึ้นวิชาวันนี้มันไม่ได้ยากเกินกําลังของมนุษย์เพราะถ้ามันยากเกินกําลังของมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่สอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นพึงจะถึงได้เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เราพึงระลึกถึงเรื่องนี้ แล้วตั้งอกตั้งใจใครยังไม่ได้เริ่มต้นก็จงเริ่มต้นเสียใครที่เริ่มต้นแล้วจงมุ่งมัน่นและตั้งใจทําให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นคนที่ทํามานานแล้วก็ลองพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการของตัวเองว่าที่ทำมานั้นมันตอบโจทย์เรื่องการดับทุกไหมถ้ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องการดับทุกไม่ตอบโจทย์เรื่องการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกจงเบนเข็มใหม่จงเปลี่ยนตั้งใหม่ตรงตั้งสัมมาทิฏฐิให้เกิด ด้วยการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์นั่นจึงได้ชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธและเราได้ใช้วันวิสาขาบูชานี่แหละเป็นวันแห่งการตั้งต้นชีวิตใหม่สู่การเป็นผู้ปฏิบัติเดินบนทางเดินแห่งพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เห็นสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาคับทุกท่กทกทาน ในวันนี้พระ อ, อาจารย์อยากชวนพวกเรามีหนังสือทุกคนใช่ไหมอ า, อาจารย์ได้พูดเรื่องอริยสัจอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เรื่องการเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์ของพระเ จ, เจ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ในบทธรรมจักรกับวัรตนสูตรหน้าที่13เรามาสวดบทธรรมจักกับวัรตนสูตรจบแล้วเราก็สวดเหตุการณ์ครั้งสําคัญก็คือการชนะพญามารในวันเพ็ญเดือนหนั้นก็คือบทพาหงุงนษะ์เนาะ จบท้ายเรียกพาหุงแล้วก็รับพรเชิญทุกท่านเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบสามหน้าสิบสามนะบทธรรมจักกปะปวัตนสูตรพวกเราเห็นลูกน้ำเป็นขั้นเป็นขั้นไหมหรือจุดเห็นไหมให้ให้สวดไปอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็หยุด ตรงลุกน้าหยุดตรงจุดตามนั้นเข้าใจไหมขึ้นนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวมสุตังเอกังสมยังภะคะวะภารานสียังวิหารติยิสิปตะนิมิขะทาย ตัดละโคภะขวะปันจวะคีเยภิกขุอมันเตสิดเวเมภิกขเวอันตาปปะทิเตนานาเสวิตาภาโยจายังกามยสุกามาสุขานิกานุโยโค อินโขโมโพทิชนิโกอนัลียอนัตสันนิโตโยจายังอาตากิลมะทานุโยโคทุกโขอนัลียออนัตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปัคขมา มาจิมาปติปทาตาถาคตินาอภิสัมุทธาจคกุกานิยานาการนิอุปัสสัมมายาอภินยาญาสัมโพธาญาณิพาณายังวตต กตามาจาราภิกเวมะจิมาปฏิปั a ฐาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการนียะนการนิุปัสสัมยาอภินยาญาสัมโพทายานิพพานยาสังวัตติ อายะเมวะอาลิโยอาทังคิโกะมะโคไซยาธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว สัมมาวาจามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังคูสาภิขเวมะจิมาปติปัฏาตาถาคเตนาอภิสัมพุทธา จาคขการณิยานาการณิ u p ป a r d s a m a อาภิญญายาสัมโพวธาญานิพานญาสังวรตติอิธังขัวปานภิกขเวทุขังอริยะศาสจัง ชาติปีทุขาชาลาปิทุกขามารณ์ปิทุกขังโสขปริเทวาทุกขาโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา อาปิเยหิสัมปายวโคทุโคอปิเยหิวิปายวโคทุโคยำปิดชังนลาติตาปิดทุขังสังคิเตนปันจุปาทานาขันธาทุขายีดังโคอาบานาภิกเวทุขาสมุทโยอริยสัจจัง ยาหยังตันหาปวนวพาวิกะนันทิราคาสหคตาตตาลาตตรลาพินันทินีเศยาถีธัรกามตันหาภวตันหาวิภาวตันหา อิดังโคปานภิกขเวทุกขนิโรธอัลยัสัจจังโยตัสายะวะนิโรธโจโคปตินิสโคมุติอนาลายอิดังโคปานภิกขเว ทุกขนิโรธข้ามินิปฏิปัทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยะทังขิโกมคโคสยาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชิว สัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุขังอาลิยสัจจันติเมผิกะเวเพออนุสุเตสุธรมเมสุ จักุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิจักอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคบานิทางทุขังอริยสัจจังปาลินเยยตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุ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 จักุงอุทปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทปาทีอีดังผู้คาสมุทโยอริยสัจจันติมิพขฆเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุ จากุงอุต a p p ธิญาณังอุท appa ธิปัญญาอุท appa ธิวิชาอุท appa ธิอาโลโกอุท a p p ธีตังโคปนิทางโคคาสมุทโยอาลิยัสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุ จักขงุทธปาทิยานะอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิเวชัะอุทธาปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปาณิธานทุขสมุทะโยอริยสัจจางไบนันติเมผิคะเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จากขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอารมโกอุทปาทีอีทางทั่วคนิโรโธอริยสัจจันติเมผีขเวปุเปอานุสุเตสุธรมเมสุ จคุงอุทปาท่ยาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุตตปาทิจามปุปปาทิจามปุปปาิโลโลอาิยสัจจมัสสิกาตพันติเมภิคะเว ปูเพออนันุสุเตสุธรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทีตังข้ปนิทานทูขานิโรธอริยาสัจจังสัจจิกตันติเมผิกเว ภูเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขวงอุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธีเอีดังดัวขนิโรตคามินีปฏิปัตตาอริยสัจจติเมผีขเว ปูเปอานุสุเตสุธรมเมสุจะควงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปติอารมโกอุทาปาทิต่างข้อปฏิทังตัวการนิโรตตาคามินิ ปาฏิปาฏานอริยสัจจภาพเวตาพัตติเมพิคะเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจะกโงงถทปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุทปาธิวิชญาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธี ต่างโคปันิทังทุขันิโรธคามินิปาติปัฏฐาอริยสัจจพาวิตรติเมผิกาเวภูเภานันุสุเตสุธรมเมสุจะโคุ้ทปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาธิเวช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 เนวตาวหังภิกขเวสาเทวาเกโลเกสัมลาเกสาพรมมเกสัสสัมนาพรมมนิยาปชายาสาเทวมนุษยญาอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโอปัญจัญาสิ่ง ยาโตจ่าโคเมพิกขเวอเมสุจตุสุอาลิยาสเจสุเอวันติปริวัตตันทวาทสาการยาถาภูตังาณทัสนังสุวิสุทธอาโหสีอาธาหังพิกขเวสเทวเก โลเคสัมมาลเกสัพพามเกสัสนมณพมณียาปชายาสัเทวมนุสายานุตตาลังสัมสัมโพธิงอาภีสัมพุทโธปัญจญาสิ่งยานันจะปาณะเมทัศนังอุทปาธี อากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาธิทานิปุณาภาวติอิทัมโวจัภะขวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขูภะขวาโตพาสีตังอภินันทุง อิมาสัมมินจาปนาวัยยากาลานัตสัมมิพันยามาเนียยะสมาโตโกนทันยศวิละชักวิตะมาลังคัมมะจักคุ้งุทัปาที <Yeah. S 1> กินจิสมุทยาธัมมังสับพันตะนิโรธาธ ร, รมมันติ ภาวัติเตจักภควตตาธรรมมจากเกผุิมาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมภควัตตาพารันศิยอิสิปตาเนมิคาทะเยอนุตตรารธรรมมาจากกลางปวัติตาอ๊ ปาติวัติยังสามเนนวาพระมเนนวาเดเวนาวามาเลนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสัมมินตีภูมิมาเทวานังศาสทางสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวะ สัตธมนุสาเวสุงจะตุมหาราชิกานังเทวานาสัทธังสุตวะทาวาติงสาเทวะสัตธมนุสาเวสุงทาวติงสานังเทวนาสัทธังสุตวะยามาเทวะ สัตถมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัตถ์สุตวะตุสิตาเทวาสัตถมนุษาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถ์สุตวานิมมานราติเทวะสัตถมนุษาเวสุง นิมมานราตีนังเทวานังสัตถสุตตวะาลานิมิตวสวัตตีเทวะสัตถมนุตตาเวสุงบานิมิตวสวัตตีนังเทวานังสัตถ์สุตตวะพัมมกาญิกาเทวะสัตธมนุต เทวา낭สัตถังสุตตวาพัมมะปาลิฉัพชาเทวะสัตถมนุษสาเวสุงพัมมะปาลิสัตชางเทวานสังถังสุตตวาพัมมะปโรยตาเทวะ สัทธมนุสสาเวสุงอมมะปาริตานางเทวานังสัตถ์สตวามหพรหมมาเทวะสัทธมนุสสาวสุงมหพรหมมานางเทวานังสัตถ์สตวะปาริธาพาเทวะสัทธมนุส สาวสุขปาริธาพานังเทวานสัทตังสตวะอาปานานาพาเทวะสัตถมนุสสาเวสุขอาปาณานพาณังเทวานังสัตตังตวาอาภาศาลาเทวะสัตธมนุส สาเวสุงอาภัสรางเทวานังสัททังสุตวาปาลิตตสุภาเทวะสัตถมนุ์สาเวสุงปาลิตตสุภานังเทวานังสัททังสุตวาอภปมานสุภาเทวะสัตธมนุ์สาเวสุง อปมานะสุภานังเทวานังสัตถสุตตวสุภินเทวะสัตธมนุษย์สาวสุงสุภากินหกานังเทวาหนังสัตถ์สุตวาเวหะปลาเทวะสัตถมนุษย์สาวสุง เปหาพลาณังเทวนาสัตถังสุตตวะอวิหาเทวะสัทธมนุษสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตตวะอปาปาเทวะสัทธมนุษย์สาวสุงอปตปานังเทวานังสัตถั สุตวาสุทัสาเทวะสัตถมนุษาเวสุงสุทาสานังเทวานัสัตถังสุตวาสุทาสีเทวะสัตถมนุษาเวสุงสุทาสีนังเทวานัสัตถังสุตตวาอาการนิถาาเทวาสัต ทามนุสาเวสซุ่เอตัมภะขวตาพาลานสียังอิสิปัตเนมิคาตเยอานุตารังธรรมจากังปาวติตังอภปติวติยาสามเนนนาวาสามเนนวาเดเวนวามาเลนวา พระมุนาวะเกณฑิวาโลกาสัมมิตรีอิติหะเตนะคเนนะตินนะมุหุเตนะยาวะพัมมุโลกุสัทโอาภุคาชีอาญจะสทัสสหะ สีโลกาาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปะมานุจาโอลาโลโอปาโซโลเกปตุละหูสีอติกกัมเมวเทวานังเทวานุภาวัน อาทโคภาควาอุทานังอุทานีสีอัญญสิวาตาโพกนทันโยอัญญาสิวตาโพกนทันโยตีอิเตอิทังอาญัตสมมตัวกนทันญัตสัอัญญกนทันโยตัว นามังอาโหสิติอ๋เวเรามาสวดบทพาหงุงระลึกถึงวันที่พระเจ้าทรงตัดสลุทรงทรงต่อสู้กับพญามารเนาะเป็นชัยชนะของพระพุทธพระผูะ้มีพระภาคเจ้า ดิปิโสภะคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจาร anasapanno sukato ลคเวโูอนุตาโรปุริสัทถมัสสารธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภคาวะ ติสาวาคาโตภาคาวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอปัสิโกอาโอมาณิโกปาจตังเวทิตาโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆอวะโจปฏิปันโน อาข่วตัสาวกสะโคยายปาติปันโนอาข่าวตสาวกสะโคสามีจิปติปันโนอาข่าวตสาวกสะโคยัติทางจัตตาลิปุริสายุคนิอาตัปุริสัปุคลา สาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนายโยทาคีนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตาลังปุญญเกตาโลกสาติภหุงสหัดสมาธิเนเมตสาวุตตางคลีเมขาละ อุทิตาโคลาสเสนมา马拉ทานาทิธามวิธินาชิตาวาโมนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังรานิมาราติเรกามพิยุจิตสาภาราติกโครามปาราวะกามาขมธาทายา ขังขันติสุทธนนาวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชายามาขาลานิคิลิงคาชาวะลาอธิมาตพูตังทาวากิจะกามสานิวาสุทาลุนันตา เมตตามุสิกาวิธินะชิตวาโมนิโทตันเตชาสาวาตุเตชายะมังคลานิโอเคตคาคมติหัดตาสุทาลุนันตัง อิทธิภิสังขตมโนชิตววุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังขาลานินาการธรมุทาลอีวะคะพินิาจินชายาตุทวะจานังชาณกายามาเชสันเตนโสมาวิธินา ชิตาวามุนิโทตันเตชสาภาวาตุเตชัยมังคาลานิสัจจวิอายามติสัจะขวาทะเกตุงวาทะ พิโลปิตามังอาทิอันทัพตังปัญญาปทีปัจลิตชิตวามุนิโตทันเตชะสาวาตุเตชยะมังาติมานุโลปานาปุชาคังวิพุทังมาหิตจิงปุเตณเถระปุชาเก นาถรมายันโตอิทุปาทิสวิธินาจิถาวะมุนิโตตันเทญสาภาวาตุเตชยามังคารานิทูคาหติธิบูชาเคนาสุทาตากธรรมังวิสุติจุติมิธิภากะ จิตานัญญาณะเดนวิตินาจิตาวาโมนิโททันตชสาภาวะทุเตชยามาคารานิตาปิพุทธชะยามังกาลานกการไดยุวาจานุตนาดินสรเตมทันติ ทิทวานันกาวิวิธานิจุปัตวานิมขังสุขังกัติกามยานโรสะพันยอมหากรุณิโกนะโทอิตายสัมบพานินางพุรทวะปารมีสัพพัก ตัวสำพัวที่มุดตามเกตนาสัจวัชนาโหตุเตชยยมะคาลังชยันตัวผัวทียามูเลสักยานังนันทิวัดอนเอวังทวังวิเจยุ โอยิจายาโซยิมังเกณเลรอะปะราจิตอัตตังเกสีเสวะวิพอะเรวิเเกสะมบัวทานัคปโตปะโมนาติสุนขัดตังสุมังขาลังโปะตังหุ ทีตังสุขโนสุโมหโตจัสุยิทธังพระมจาลิสุปัทขินังกายกรรมวาจากรรมปัทคินาปัทขินัง mano กรมวันิทิเตปัทคินาปัท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 สมควรแก่เวลาแล้วเชิญทุกท่านอุทิศบุญแผ่บุญพนองมือขึ้น <c oughs> พุทโธธรรมโมสังโฆ <c oughs> ขอบุญกุศล <c oughs> จากศีลละบารมีทานะบารมี และบุญกุศ ล, ล, ศลจากการที่ข้าพเจ้ า, า, จาได้เจริญสติสมาธิภาวน า, า, า, วนาในข่าวครั้งนี้นนจงแปลเปลี่ย น, ป เ, ปยนเป็นความสุ ข, สขให้กบิดามารดาปุ า, า, า, ปาต า, า ย, ย า, า, า ย, ย, าาายครูบาอาจารย์ ลุงป้านาอาญาติพี่น้องมิสหา ย, ย, าหายครอบครัวและคนรั ก, รรรกผู้มีพระคุ ณ, คณเจ้ากรรมนายเวร เ, เทพเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าพร้อมทั้งสัพพสัตทั้งหลายได้เกิด เดี๋ยวคณะสงฆ์จะให้พรเนาะญาติโ ย, ยมทั้งหลายทั้งอกทั้งใจขุทิตสุกุศลให้บันประชนยาทาวาริวะฮาปุราปาลิปุเรนติสากครงังเฮวามวไวตโตดิ น, นังเปตานังอุปกักขปติ อิติตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิชตุสเบเบบริโตสังกปาจันโนปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาวิวัจจันโตสามารุอัโควินาสตุมาเตมภวัตวันดารา โยสุเคธิขายุโกภาวะภิวานนาสิลิสานิจังวุฒ si ิธามจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังว m ตุสัมบมัง a l a ังรา ขันตุสาบาเทวตาสาบบมูนทานุภาเวนัสธาสวดิภวันตุเตภวตุสาพะมังขาลังราขันตุสาบาเทวตาสาบผะถามานุภาเวนัทธา โสติภวันตุเตภวตุสับภะมังคารังระขันตุสัพบะเทวตาสัมบาสังคานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ